นโมสสะทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมจตสสะทกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสสะทกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโอกาสต่อไปนี้จะได้นาธรรมะ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 กายคืออาการสามสิบสองธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนาที่มีอยู่ก็เป็นเครื่องรู้ของใจคือมันเป็นวัตถุเรียกว่ารูปธรรมรูปธรรมนี่เป็นเครื่องรู้ของใจในเมื่อใจรูท้ทันความเป็นจริงของรูปธรรมละรู้ทันอาการของรูปธรรม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 คนเราเนี่ยเมื่อรับทานแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายตื่นเช้ามาทุกมันก็แสดงออกมาให้ปรากฏโเพราะอุจจาระกิจปัสสาวะกิจอะไรต่างๆนี่เราลู่ทำแล้วลอกจากนั้นเราจะทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายบ้างล้างหน้าแปรงฟันละาอาหารให้มันรับทานบ้างละ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 โูมใจขึ้นมาว่าดีเหมือนกันตายไปแล้วจะได้ใช้ชาติใช้พพให้มันหมดสิ้นไปความดีเรามีพร้อมแล้วเรามาเกิดใหม่เกิดเอาใหม่ดีกว่าเก่าอย่างท่านพระอุปัชายะก็จะมาอยู่ที่วัดสัปปทุมท่านเจ้าคุณปัญญาพิสาะเถรถือเดิมท่านว่าอาจารย์หนู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 ว่าเรามีความดีพร้อมมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวไปนรกก็ไม่น่ากลัวอะไรอะไรก็ไม่น่ากลัวทั้งนั้นถ้าเรามั่นใจว่าถ้าเราตายจริงเราไปเกิดเอาใหม่ดีกว่าเหมือนอย่างท่านตุคุณปัญญาทัานว่ามันก็หมดหมดกลัวกันเท่านั้นเองแต่สมาพูดรคนเดียวมันก็หมด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 เราก็คุยกันมาพอสมควรแล้วนั่งสมาธิดูหน่อยดีไหมทางอันเชิญแต่ละครั้งที่ได้ไปร่วมพิธีการดูมันจะไม่เคยเว้นจากการทำสมาธิ <c oughs> เราจ ะ, ะนั้นนโอกาสนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาธรรมะ ตามสำหรับทำรามาพอสมควรแล้วก็หลายหลายท่านก็ได้ตั้งใจนั่งปฏิบัติรมสมาธิมามากพอสมควรเหมือนกันดังนั้นณนะโอกาสนี้ขอเชิญชวนบรรดาท่านทั้งหลายจงกรรมหนดจิตทมสมาธิ ตามแบบที่ตนเคยทำนิชทำนาญมาแล้วจงกำหนดจดจ้องลงที่ติดของตัวเองทำความรู้สึกภายในจิตว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประชุมพ้อนอยู่ที่จิตของเราแล้วแล้วก็กำหนดอารมณ์คู่ของใจอะไรก็ได้ที่เราเคยทำนาญมาแล้ว ที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ประชมพร้อมลงที่ใจนั้นก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้ามาจากคาว่าพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นกิริยาของใจแม้ว่าใครก็ตาม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 ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจากการกำหนดรู้เช่นนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่ามีพระธรรมคือการตรงไว้ซึ่งความดีผู้มีสติสัมปชัญญะประคับประคองคือตั้งเจตนาประคองความรู้สึกของตัวเองอยู่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติทอบผู้นั้นมีคุณของประสงอยู่ในจิตในใจ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 หรือประครับประคองเมื่อไหร่เมื่อดันติดดวงนี้ก็จะต้องมีความเผลอไปนึกสร้างบาปอกุศลขึ้นใส่ตัวหามีสติสัมปชัญญะประครับประองอยู่ตลอดเวลาจะไม่มีโอกาสที่จะเผลอไปสร้างบาปสร้างกรรมขึ้นใส่ตัวเลย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 แต่และอย่างละอย่างเป็นอุบายเพื่อทำใจจิตให้สงบเป็นสมาธิทั้งนั้นอย่าไปสงสัยหรือทำความลังนในสิ่งเหล่านั้นขอให้ยึดสภาพความเป็นจริงที่จะเพิงเกิดขึ้นภายในจิตของท่านถ้าพูดถึงว่าวิถีทางที่จิตจะดําเนินเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิ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 บางครั้งบางคราวผู้บริกรรมภาวนาอาจจะมีจิตมีอาการวูบลงไปอย่างเร็วแล้วก็ไปสงบนิ่งสว่างอันนี้ช่วงระหว่างวิตุวิจารดยกระทั่งจิตวิ่งเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิผู้นั้นมีสติกาหนดไม่ทันเป็นลักษณะ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 แต่หากยังไม่มีความชำนิชำนาญทีนี้บางทีบางท่านบริกรรมภาวนาอาจจะจิตอาจจะไม่เคยสงบเป็นอปปนาสมาธิสักทีเที่ยงแต่สงบลงไปเป็นอุปจารสมาธิคือมีอาการเคลิ่มๆลงไปแล้วก็สว่างจิตยังมีความรู้สึกสัมพันธ์กับร่างกายอยู่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 ปฏิบัติแล้วมีภูมิจิตเกิดขึ้นมีลักษณะดังที่ว่าพอไม่ต้องไปมุ่งหมายที่จะเอาอัปปนาสมาธิพอทำจิตให้สงบเป็นอุปจารสมาธิบ่อยๆพอที่จะประคับประคองจิตให้น้อมไปสู่แนวทางแห่งการพิจารณาพรสไยรักคือพิจารณากายและความรู้สึก นอมไปสู่พระไตรับคืออหนี้จังทุกขังอนัตตาได้พอดีกาหนดพิจารณาทันทีไม่ต้องไปคอยให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิปฏิบัติในทำนองนี้ก็ย่อมจะเกื้อนแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกันถ้าหากต่างว่าเราจะไปคอยให้จิตสงบเป็นอัปปนาสมาธิเสียก่อนเข้าฌานให้มันได้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 ความชำนาญน ใ, นาาในการเข้าฐานชํานาญในการทําสมาธิทาให้เกิดอิจิลิศแต่เหตุผลนั้นยังไม่เพียงพอเพราะท่านอาจารย์เทศท่านว่าจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในฌานนั้นเป็นสมาธิที่โง่เพราะจิตเข้าฌานจะต้องเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น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 ก็จิตไม่มีอาการสื่นทราบเข้าไปในสิ่งที่รู้นั้นเพราะไม่มีความจิตทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะสิ่งที่รู้เห็นขึ้นมานั้นเป็นภูมิปัญญาของจิตซึ่งภู้อริยมรรคเกศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงแล้วสามารถปฏิวัติดวงจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมขั้นสูงเป็นลำดับๆซึ่งจิตในลักษณะอย่างนี้ในขั้นต้นจะรู้อะไรก็ตาม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 ตัวที่นิ่งเด่นอยู่นั่นคือตัวพุทธะผู้รู้ผู้รู้เท่าเอาทันจึงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้อะไรเึ้นมาก็เฉยรู้อะไรเึ้นมาก็เฉยเพราะมันเป็นภูมิปัญญาของจิต ท, ที่ฝึกฝนอบรมดีแล้วจิตจึงไม่หวั่นไหวจึงไม่ติดในสิ่งเหล่านั้นในขณะนั้นเป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีตัณหา ไม่มีกิเลสไม่มีตันหาไม่มีอุปาทานจิตจึงมีปรากฏการ์อย่างนั้นถ้ า, าว่าจิตของท่านผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดกาลไม่กลับกลอกก็าได้ชื่อว่าเป็นพระอะหรหันต์นี่เพีงสั้งใจจะทําความเข้าใจอย่างนี้ถ้าหากเราทําอย่างนี้ได้บ่อยๆแม้ว่าเราออกจากการปฏิบัตินั่งสมาธิหลับตามา มามองดูโลกและเข้าสู่สังคมในเมื่อเราประสบกับอารมณ์ต่างๆในสังคมที่เราจะต้องกระทบกระเทือนหรือรับผิดชอบอยู่นั้นความรู้สึกของเราจะเพียงว่าสักว่าแต่พูดก็สับว่าแต่พูดคิดสักว่าแต่คิดทําสักว่าแต่ทําอันนี้คือสมาธิแต่ภูมิทําในอริยมรรค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 มีภูมิจิตภูมิธรรมสามารถรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเราสามารถเอาภูมิธรรมภูมิจิตนั้นมาประกอบประโยชน์ตามมิถีทางของชาวโลกตามมิถีทางของการครองชีพครองบ้านครองเรือนได้เรือน ไ, ได้อย่างสบายถ้าสมาธิอันใดบําเพ็ญดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วคือว่าอยู่ในขั้นดีตามความนิยมของผู้ปฏิบัติ มีภูมิสมาธิสงบดีมีภูมิธรรมที่เกิดขึ้นเกิดเบื่อหน่ายต่อครอบครัวเกิดเบื่อหน่ายต่อโลกไม่เอาไหนไม่อยากจะเข้าสู่สังคมไม่อยากจะทำไม่อยากจะทำประโยชน์แก่ใครๆอยากจะปลีกรวบนีไปอยู่ป่าสักคนเดียวอะไรทำนองนี้สมาธิอันนั้นอย่าเพิ่งไปเชื่อให้พิจารณาให้มันรอบคออาหาพระพุทธเจ้า สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้ามีสมาธิมีพระสติปัญญาดีพระพุทธเจ้าเมื่อสำเร็จแล้วเกิดมีความเบื่อหน่ายต่อโลกไม่อยากอยู่กับโลกไม่อยากโปรดโลกแต่พระองค์หาได้เป็นเช่นนั้นไหมเมื่อสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วในบางตอนต้นตอนตอน้ตนๆ น, น, น, นแปลกๆนั้นมาพิจารณาว่าธรรมะทรรี่ตัดระลนี้มันเป็นของละเอียดสุ ข, ขุม อยากติเวไน้สัจจะเพิงรู้ตามเห็นตามได้บางครั้งก็รู้สึกว่าทอแท้ในพระไทยไม่อยากจะแสดงเพรจะไม่มีผู้รู้ทันหรือรู้ตามจนกระทั่งมีผู้กล่าวว่ามีเท้ามหาพรหมลงมาอาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงความจริงเท้ามหาพรหมที่มามาอาราธนานั้น ก็คือพรห ม, มวิหารที่อยู่ในพระไทยของพระองค์นั่นแหละมากระตุ้นเตือนให้พระองค์รู้สึกสำนึกในจารีตประเพณีของผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าต้องมีเมตตากรุณาเมตติตาอุเบกขาในบรรดาเวในยัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตัดถินพระไทยแสดงพระธรรมเทศนาแก่เวในยัตว์ คุณธรรมข้อนั้นจึงได้ชื่อว่าพระมหากรุณาธิคุณเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ข้อหนึ่งในบรรดาพระคุณทั้งสามประการแล้วพระองค์ก็ทรงทำประโยชน์แก่โลกอย่างกว้างางจนสามารถประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงในชมพูทวีปแ ห, ห่ขยายกว้างขวางมาสู่เมืองไทยเรา เราได้รับเป็นศาสนาญาติประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะค่าที่พระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมิได้เบื่อหน่ายต่อการที่จะทำประโยชน์แก่โลกนั้นเองเพราะฉะนั้นผู้มีภูมิติตภูมิธรรมหรือมีความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะที่ควรรู้ควรเห็นจึงไม่มีทางที่จะเบื่อหน่ายต่อโลก แต่ไม่ยึดถือโลกด้วยอำนาจของกิเลสจะมีก็มีแต่ความเมตตามีความบังดีเห่นอย่างกวน้าคณะของท่านได้ชักชวนกันมาฟังเทศฟังธรรมรับการอบรมสมาธิอยู่ก็เพราะแต่ถ้าท่านมีภูมิจิตภูมิธรรมที่จะต้องทำประโยชน์แก่ตนเองและชาวโลกตามสมควร อันนี้คือวิถีความรู้สึกภายในจิตของผู้ปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะพูดให้ชัดๆลงไปถ้าหากสมมติว่าพอบานหลั่งสมาธิภาวนาเป็นมีภูมิจิตภูมิธรรมเบื่อหนายต่อครอบครัวอยากจะหนีจากครอบครัวอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องแม่บานภาวนาเป็นแล้วมีภูมิจิต ภ, ภูมิธรรม เกิเบือน่ายต่อการที่จะทํากับข้าวกับปลาหุงข้า ว, ห, าวหุงปลาให้ครอบครัวรับทานอันนั้นก็ไม่ทอบด้วยเหตุผลในเมื่อทําเป็นภาวนาเป็นรูธธรรมเห็นธรรมมีภูมิจิตภูมิธรรมดีจะต้องมีความรู้สึกสํานึกในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบเป็นกิจวัตรประจําวันดียิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่น นางกุลธิดาซึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีแล้วก็เป็นพระโสดาบันตั้งแต่อย่างเด็กอย่างเด็กบางเอิญนเพราะผลกรรมบันดาลได้ไปเป็นภรรยาของนายพลผู้จับสัตว์ป่ามาขายในท้องตลาดทาั้งงที่ท่านผู้นั้นเป็นพระโสดาบันเวลาสามีของท่านจะเข้าป่าไปจับสัตว์ท่านก็เตรียมสเสบียงอาหารให้เตรียมเครื่องมือให้ แต่ภายในจิตของท่านไม่ได้นึกว่าให้เขาไปจับสัตว์มาให้ได้มากๆจนกระทั่งมีพระสังฆาหากาจาร์ตั้งเป็นปัญหาทกิขึ้นมาการที่พระโสดาบันไปทำเช่นนั้นจะไม่ผิดคุณธรรมของพระโสดาบันหรือพระอัศกถาจาร์ก็แก้ว่าไม่ผิดเพราะท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของความเป็นภรรยาที่ดี อันนีคือเป็นคติตัวอย่างเพราะฉะนั้นผู้ใดสำเร็จคุณธรรมแม้จะได้ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของตนหรือมีภูมิจิตภูมิทมตามสมควรก็ตามหรือได้เป็นอริยะบุคคลอย่างที่ไม่มีใครโลภก็ตามจะมีความสลับในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอยู่เป็นอย่างดีจริงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบ ในเมื่อิตใจตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบแล้วก็มีศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องประกับประกองจิตจิตจ้ดำดำเนินไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมที่ถูกต้องจึงได้เชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยประการแัะจริยตอนนี้ไปก็ได้โปรดทําความสงบจิตพิจารณาธรรมที่ตนเคยรู้เคยเห็นมาแล้ว พิจารณารมนั้นสิ่งใดที่เราพิจารณาแล้วทำให้เราเกิดผล <c oughs> เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาข็ให้พิจารณาอันนั้นซ้ำๆทราบๆบ่อยๆ ย, ย้ำอยู่ที่ของเก่านั่ น, น, นอย่าไปเปลี่ยนเพื่อทำให้จำนิจํานาญเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วภูมิจิตภูมิธรรมมันจะค่อยขยายวงกว้างออกไปเป็นลาดับลาดับ ถ่ายจับโน่นวางนี้ไม่เป็นหลักฐานมั่นคงแล้วจิตของเราก็จะกลายเป็นจิตที่ยึดหลักหรือวิหกรมเครื่องอยู่ไม่แน่นอนการปฏิบัติก็จะไม่ประสบผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นใครยึดหลักอะไรเป็นเครื่องปฏิบัติก็ยึดให้มั่นคงลงไปเราจะพิจารณาหลายหลายอย่าง ในเมื่อความรู้ความเห็นเกิดขึ้นก็อยู่ในลักษณะเดียวกันนั่นเองอยู่ในลักษณะแห่งความรู้เห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอันเดียวกันนั้นเอาสิ่งสิ่งเดียวเป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไปบ่อเยเข้าเมื่อจิตมันรู้ซึ่งเหยนจริงในอย่างเดียวเท่านั้นมันก็ถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไปเองกิเลสตัณหามันก็ค่อยหมดไปเอง เราจะนั้นจมยึดหลักให้มัน่นคงคือว่าเราสามารถที่จะทําได้ทุกอิริยาบถหลักตาก็ทําได้ลืมตาก็ทําได้นอนทําก็ทําได้ถ้าเราไม่นึกอะไรบริกรรมภาวนาในใจเราก็กําหนดไว้ที่ใจว่ารู้อะไรแล้วจะตามรู้ให้มันทัน ความคิดคิดอะไรขึ้นมารู้ทันรู้ให้ทันเราทำอะไรก็ให้มันทันการกระทำของเราคิดอะไรให้มันทันความคิดของเราพูดอะไรให้ทันความคาพูดของเราให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือการทำสมาธิไม่ต้องบริกรรมภาวนาอะไรกันสำคัญอยู่ที่การทำสติเช่นอย่างท่านที่สอนว่า นังน่งนองกินน้อเดินหน้อยกหนอก้าวย่างหนออะไรพวกนั้นอันนี้คือการทาทาสติเป็นการปฏิบัติสมาธิอย่าเอาไปเถียงนั่นแหละคือการทาสติไปได้ในหลักมหาสติปัฏฐานที่ว่าก้าวไปก็รู้ถอยกลับก็รู้โคเยียดก็รู้ แล้วก็เนืกเคียดอะไรก็รู้โลอยู่ตลอดเวลามันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าไปเถียงกันให้มันลําบากการปฏิบัติถ้ามัวไปเถียงกันแล้วก็นับปฏิบัติศาสนาพุทธแทนที่จะช่วยกันทําความเจริญแล้วก็ไปทะเลาะกันเพราะความเชืเ่อเห็นไม่ตรงกันอะไรํานองนี้อันนั้นมันเป็นวิธีการหรอก แต่ผลที่มันเกิดขึ้นภายในเราจะรู้จริงเห็นจริงนั่นมันเหมือนการโมดในอีกอย่างหนึ่งอาตมาก็ไม่เข้าข้างใครหรอกนะมีพวกกล่าวว่าสอนให้ทำจิตให้ว่างเป็นมิจฉาทิฐิท่ทานคงจะเคยได้ยินใครปฏิบัติทำจิตให้ว่างเป็นมิจฉาทิฏฐิ สอนคนให้ทำจิตให้ว่างก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้เราไม่ได้ตำหนิใครแต่ถ้าผู้สอนนั้นใช้คำว่าจงทำจิตให้ว่างแล้วท่านจะสำเร็จนิพพานในช่วงที่จิตว่างโดยไม่ชี้แจงเหตุผลอันนี้ก็ชวนให้ผู้ฟังเข้าใจผิดเหมือนกันแต่ความจริงนั้น นักภาวนาเนี่ถ้าจิตไม่ว่างแล้วภูมิธรรมจะไม่เกิดเจนอย่างสมมติว่าเราอยากจะรู้ว่าอ น, นิจจังคืออะไรเราติดการจิตของเราเราปริกรรมภาวนาหรือพิจรารณาถ้าในขณะที่เรานึกว่าคืออะไรคืออะไรคืออะไรคืออะไรอยู่นั่นเราจะไม่รู้ว่าอ น, นิจจังคืออะไรเมื่อจิตมันนึกอยากจะรู้จะเห็นน่ยปล่อยวางปุ๊บ อยู่ในลักษณะที่ว่างเพราะว่างปุ๊บเมื่อไหร่แล้วคำว่าอนิจจังคืออะไรมันจึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนักทำสมาธินี่ถ้าไม่สามารถที่จะทำจิตให้ว่างเป็นหนึ่งได้เมื่อไรแล้วเราจะไม่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาอย่างน้อยก็ต้องมีอาการวูบว่างแล้วก็ว่างพักหนึ่งแล้วจึงจะเกิดภูมิความรู้ขึ้นมาจะรู้อะไรก็ตาม หากใดยังมีความอยากรู้อยากเห็นอยู่จะไม่มีทางรู้เห็นได้เลยนอกจากเราจะเดาคาดคณโเองความรู้จริงเห็นจริงจะไม่เกิดขึ้นอันนี้ขอให้ทำความเข้าใจอย่างนี้ถ้าใครสามารถทาจิตให้ว่างได้นะ่ะเป็นดีที่สุดในขณะที่เราอยากรู้อยากเห็นอะไรนั้นเช่นอย่างสมมติว่าเราจะถามปัญหาตัวเองว่าสังขารคืออะไร ก่อนที่เราจะรู้ว่าสังขารคืออะไรนี่เราจะต้องคิดหาเหตุผลซะก่อนว่าสังขาร น, นี่มันคืออะไรมีลักษณะอย่างไรมีเท่าไหร่อะไรทํานองนี้ตามแบบปริยัติของเราทีนี้ในเมื่อเราพิจารณาค้นคว้าไปบางครั้งสังขารมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม เพราะอย่างนี้จึงรด้กวาสังขารเพราะมันปรุงเพราะมันแต่งเพราะมันไม่มีทางที่จะยับยั้งในการที่ปรุงแต่งอะไรต่างๆเราคิดของเราไปอย่างนี้ในช่วงนั้นถ้ามันจะรู้จริงขึ้นมาแล้วจิตของเราจะวูบว่างไปสู่ความสงบว่างนิดหนึ่งแล้วมันยังเกิดเป็นขึข้นมาพอว่างปุ๊บจิตนิ่งอยู่ถาพักหนึ่งพอเกิดจิตไหวปุบขึ้นมานิดหนึ่งจะรู้ทันทีว่า อาจจะมีคําตอบขึ้นมาว่าจิตจสร้างค่ารักตัวสังขารที่แท้จริงคือความปรุมของจิตมันจะบอกขึ้นไปจากนี้ใครเราบอกจิตของเราที่มันว่างนี่มันบอกขึ้นมามันเป็นภูมิรู้ภูมิธรรที่เราอาศัยสัญญาหรืออะไรต่างๆที่พิจารณ า, านั้นเป็นแนวเป็นแนวทางปฏิบัติเป็นภาคปฏิบัติ เช่นอย่างเราจะพิจารณาว่าผมขนแป้นปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกของเราเนี่มันเป็นของปฏิคูณน่าเกลียดโกลกเราก็นึกเอานึกเอานึกเอานึกเอาว่าเอาว่าเอาทีนี้เมื่อจิตมันจะรู้จริงขึ้นมาแล้วมันจะหยุดว่าหยุดนึกนิ่งความนิ่งของจิตคือความว่างพอว่างอยู่สักพักหนึ่ง้วมันจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาบางทีมันจะเกิดเป็นนิมิตให้มองเห็นเป็นสิ่งที่ปฏิคูณน่าเกลียดเน่าเปื่อยผุพังขึ้นมา บางทีมันจะรู้แต่เพียงแค่ว่าใจน้อมนึกรู้ขึ้นมาว่าเป็นจริงอย่างนั้นเท่านั้นแล้วแต่อุปนิสัยของท่านผู้ใด <c oughs> เราฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ <c oughs> เราจะไปเกณฑ์ให้ภูมิจิตภูมิใจนี่เดินไปแบบเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันก็แม้แม้แต่เพียงแค่ว่าผู้ที่ยังไม่เคยภาวนาไม่เคยทําสมาธิ อาตมาเคยถามใ้พวกที่เข้าโร ง, งพยาบาลผ่าตัดที่ถูกวางยาสลบเนี่เคยถามเขาบางคนถามว่าในขณะที่ถูกวางยาสลบนั้นความรู้สึกมันไปอยู่ที่ไหนไม่ ร, มรู้ไม่ทราบว่ามันไปอยู่ที่ไหนแต่บางคนเมื่อเขาจะบอกว่าในขณะที่ถูกวางยาสลบนั้นจิตมันมีอาการวูบๆๆๆๆไปแล้วก็ออกจากร่างไปลอยอยู่นะครับ ถ้ามันก็ส่งกระแสมารู้ว่าหมอก็ทําอะไรเกี่ยวกับร่างกายของเรามันก็รู้อยู่ตลอดเวลาบางทีมันก็มองเห็นโครงกระดูกของตัวเองแบบนั้นนี่มันมันเพื่อนฐานของจิตตั้งเดิมเนี่ยมันต่างกันอย่างบางท่านพอมาบริกรรมภาวนาเข้านิดหน่อยจิตสงบเกิดสว่างขึ้นก็รู้ทำเห็นทำไปอย่างสบายสบาย บางท่านบริกรรมภาวนาทั้งข้าหกปีจิตไม่เคยสงบเป็นสมาธิก็มีแต่ก็เพราะอาศัยศรัทธาความเชื่อมั่นในการปฏิบัติก็ทำไปไม่หยุดหย่อนเราจะไปเกณฑ์ไม่ได้หรอกลักษณะสังเกตของการทำสมาธิเนี่ย <c oughs> ถ้าหากว่า <c oughs> เราทำสมาธิที่ถูกต้องรูปภูมิจิตที่มันเป็นสมาธิที่มันถูกต้องนั้น จะมีลักษณะบ่งบอกว่าสมาธิจะต้องทำกายให้เบาทำจิตให้เบาเบาจนกระทั่งบางครั้งไม่รู้สึกว่าเรามีกายนี่ลักษณะของสมาธิที่ถูกต้องแล้วเมื่อเลิกปฏิบัติคือออกจากสมาธิมาแล้วก็ทำให้กายเบาตลอดเวลาแม้จะลุกจากที่นั่งเนี่ยอาการเหน็บ หาหรืออะไรต่างๆจะไม่ปรากฏพอจิตออกจากสมาธิเริมตาขึ้นตรงขึ้นมาแล้วลุกเดินไปได้เลยไม่ต้องมาดัดแข้งดัดขาอันนี้คือสมาธิที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องทีนี้สมังอย่างเขาเริมตาขึ้นออกจากที่นั่งปฏิบัติแล้วบางท่านถึงกับนอนให้คนอื่นนวดเส้นนวดเอ็นก่อนอันนี้ไม่ถูกต้องแนะ่ สมาธิแบบนี้คล้ายๆกับว่ามีอํานาจอะไรสักอย่างหนึ่งบังคับจะเรียกว่าอํานาจสะกดจิตก็ได้คือการสะกดจิตนั้นมันมีหลายอย่างสะกดด้วยอํานาจพาถาอามคมคําบริกรรมภาวนาก็มีอย่างคนที่ปลูกพระเนี่ยพอพร้าใส่มือแล้วก็ภาวนาน้ามาพาถานะมาพาถาเดี๋ยวก็สันส่นสันส่นสั่ขึ้นนี่ถูกอํานาจสะกดจิตแล้ว อำนาจอะไรอำนาจคาถาบริกรรมภาวนาคาถาในทางศย์ศาสตร์บางอย่างบริกรรมภาวนาแล้วมันจะทำให้เกิดปีติอย่างแรงอาการสั่นนั่นคืออาการปีติทีนี้ปีติมันเกิดขึ้นอย่างแรงอย่างไม่มีขอบเขตมันก็มีอำนาจบังคับจิตของเราบางทีบังคับจิตของเราให้ไปดูโน่นดูนี่อะไรที่ไหนต่างๆในทาลองนั้นถ้าใครทำได้ก็ดียหรอกแต่ว่าอย่าไปหลง แต่มันรู้เท่า <c oughs> ใครมีปัญหาสงสัยไหมเวลามาพบกันอย่างนี้ก็ถามแก่ได้ก็จะแก่แก่ไม่ได้ก็สฝากเอาไว้ให้ผู้ถามไปแก่เอาเองอปปนาสมาธิกับนาฌานเป็นยังไงอปปนาสมาธิอปปนาฌานโดยลักษณะความสัมผัสในทางจิตแล้ว เหมือนเหมือนกันแต่อปนาฌานนั้นมันมีลักษณะของความสงบของจิตที่ไม่ได้เดินตามลักษณะองค์ฌานเดี๋ยวก็ฝูภาวนาแล้วจิตมันสงบวูบลงไปมันข้ามขั้นเป็นฌานที่ข้ามขั้นไม่ได้เดินไปตามลำดับลักษณะของการเข้าฌานนี่จะต้องเข้าไปตั้งแต่ฌานขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ ฌานขั้นที่สี่นั่นแหละคืออัปปนาสมาธิอัปปนาฌาน่อัปนาานอออปนาสมาธิอัปปนาฌานนั้นมันเป็นฌานที่ไม่ประกอบด้วยองค์ไม่ได้ผ่านองค์ของฌานมาเจิงอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเรียกได้กันเพียงแค่อัปปนาสมาธิทีนี้อัปปนาฌานนั้นก็คืออัปปนาสมาธิแต่เป็นสมาธิที่ผ่านองค์ฌานมาโดยลาดับ ตั้งแต่วิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกับคตาชานที่หนึ่งมีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกับคตาอยู่พร้อมชานที่สองวิตกวิจารหายไปยังเหลือแต่ปีติกับสุขเอกับคตาชานขั้นที่สามปีติหายเหลือแต่สุขกับเอกับคตาชานขั้นที่สสุขหายเหลือแต่เอกับคตากับอุเบกขา แล้วก็เข้าไปสู่ฌานขั้นที่สี่เรียกว่าอัปปน า, เ, าเรียกว่าถ้าจะว่าโดยสมาธิก็เป็นอัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิที่ผ่านองค์ฌานมาเรียกว่าเรียกว่าอัปปนาฌานทีนี้อัปปนาสมาธิที่ไม่ได้ผ่านองค์ฌานเรียกว่าอัปปนาสมาธิเฉย บุคือช่วงว่างของจิตอย่างเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วพอจิตทาทีไรทำท่าจะสงบพอมันพุทโธพุทโธพุทโธจิตเข้าอยู่กับพุทโธแล้วระหว่างที่จิตมันจะปล่อยพุทโธนี่ไปถึงจุดที่สงบนิ่งช่วงกลางนี่มันว่างความว่างนี่เรียกว่าพระวังที่นี่พระวังคือการก้าวลงของจิตในเมื่อจิตตกพระวังบุบลงไป พอวบนิ่งถ้านิ่งแล้วไม่มีลักษณะของความสว่างคือความพร้อมของจิตไม่เพราาะอะ่่ไไมมพร้อมที่จะตื่นก็เป็นการหลับไปอย่างธรรมดาเช่นอย่างเวกลงไปแล้วหลับมืดไปเลยไม่รู้เรื่องอะไรทีนี้พอเวกลงไปนิ่งพักเกิดสว่างปล้องขึ้นมาอันนี้เขาเรียวกว่าสมาธิแบบปล้อง แต่ว่าใครทําได้กว่าดีทํามามากๆหลายๆครั้งหลายกดแล้วมันก็ค่อยชำนานขึ้นแล้วก็จะติดต่อกันเองอันนี้เรากําหนดตอนระหว่างกลางนี่ไม่ได้ตั้งแต่วิจารณ์กับเอกอัปปนาสมาธิเนี่ยพ่วกนี้มันว่างเรากําหนดไม่ได้ว่าจิตพองเรานี่มันผ่านอะไรบ้างเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้เราเรียกได้แต่อัปปนาสมาธิเฉย ะพะวังในอีเชนึกเงาแอ่พรวังเนี่ตามในคมภีร์พระพิธรรมท่านเขียนไว่มากมายล้าเกิดแต่ขอออกตัวว่าไม่เคยท่องจำรเราจะดันจริงไม่ขอตอบพวังคขาจา ร, นะระณะพวังอะไรต่ออะไรทําว่าของมขันไว้ <c oughs> มีมากมายก็เคยอ่านผ่านๆเหมือนกันสําหรับผู้ที่ จะจดจำเอาไปเป็นผู้เบอรอในการพูดการสนทนาก็ได้โปรดเปิดตำราของพระอภิธรรมแล้วท่องจำออกจิตสภาพที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดแต่ไม่รู้ดีรู้ชั่วในเมื่อผู้ภาวนามาทำจิตให้เกิดมีสติสัมปชัญญะสามารถประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้ จิต ท, ที่ประกอบด้วยสติสติเป็นตัวเจตสิกหรือคุณธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตสิ่งนั้นเป็นเจตสิกธจรมหลักวิชาท่านก็บอกว่าธรรมที่ประกอบกับจิตเรียวกว่าเจตสิกอันนี้หมายถึงว่าคุณธรรมที่เราบำเพ็ญให้เกิดขึ้นเป็นเครื่องอาศัยของจิต อาธิที่เรียกว่าเป็นคุ ณ, ณธรรมนั่นเช่นอย่างความรู้สึกในกุศลตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเจตสิกอันหนึ่งความรู้สึกในอกุศลตลอดเวลาก็เป็นเจตสิกอันหนึ่งเช่นอย่างจิตของเราเนี่ยมันหนักไปในความโลภความโกรธความหลงยกตัวอย่างเช่นอย่างความโกรธเนี่ยในเมื่อมันกระทบปังเข้าไปบางครั้งเราไม่อยากโกรธเลย มันก็โกรธมันก็อดโกรธไม่ได้สิ่งใดที่สามารถอํานาจที่จะปฏิวัติจิตของเราให้ไปสู่ความเป็นตามอํานาจของเขาอันนั้นเรียกว่าเจตสิกคือทำที่ประอกอบกับจิตเช่นจิตมีสติจิตมีสัมปชัญญะจิตมีสมาธิจิตมีวิริยะมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิปัญญา ซึ่งเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเป็นไปเองโดยธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ของจิตเรียกว่าเจตสิกทั้งนั้นเช่นอย่างตาเห็นรูกเกิดความรู้สึกขึ้นเป็นเจตสิกอันนั้นไม่ถูกสิ่งที่เป็นผลเกิดจากความดีคือการปฏิบัตินี้เช่นอย่างกายเป็นเครื่องรู้ของจิตในเมื่อจิตรู้แจ้งเห็นจริงในกาย เกิดมีสติสัมปชัญญะดีขึ้นมาแล้วก็มีปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาสติปัญญาอันนี้เป็นเจตสิกที่นักธรรมะถกเถียงกันหรือสนทนากัน <c oughs> ส่วนมากนั้นมากจะหนักไปในทางภูมิรู้ภูมิรู้ด้วยปัญญาที่เราทรงจาด้วยสติปัญญาที่เราทรงจำ หรือด้วยสัญญาที่เราทรงจำมาสำหรับในแง่การปฏิบัตินั้นเรามุ่งที่จะพูดกันในแง่ประสบการณ์ถ้าหากสมมติว่าจิตมีความสัมผัสในเรื่องการรู้ทำเห็นทำนั้นมีลักษณะอย่างไรหรือจิตเป็นสมาธิมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จิตจะรู้ทมมีลักษณะอย่างไร เจ็ดรูะไตรักมีลักษณะอย่างไรอันนี้เป็นประสบภการแต่ถ้าพูดถึงว่าไอ้ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรทางปริยัตินี่นักปฏิบัติโดยส่วนมากไม่ค่อยจะได้จดจำแม้แต่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งขอจะให้ออกพระนามของท่านเพราะท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เหนือ บางทีท่านก็ถามว่าธรรมะที่เกิดกับใจแม้ว่าเราจะไม่รู้ชื่อของธรรมะนั้นแต่ธรรมะนั้นสามารถทำจิตให้สงบสว่างรู้จริงเหนจริงได้อยู่จะถือว่าเป็นการใช้ได้หรือไม่อันนี้เป็นคำถามของขอ ง, ของท่านผู้หนึ่งซึ่งขอสมวนนำที่นี้ธรรมะที่เกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัต ไม่รู้จากชื่อของธรรมะแต่ก็สามารถที่ทําจิตให้สงบสว่างมีความเยือกเย็ยนรู้จริงเห็นจริงได้ธรรมะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้ได้ซึ่งแท้ที่จริงแล้วมันเป็นธรรมชาติของการรู้จริงเห็นจริงในธรรมะชั้นสูงเช่นอย่างมสมมติว่า <c oughs> มีใครสักคนหนึ่งยกสําหรับกับข้าวนานาชนิดคือว่ากับข้าวมันมีหลายอย่าง เขยกมาวางลงตรงหน้าเราเนี่ยก็บอกว่าอาหารเหล่านี้รับทานได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายทาั้งๆที่เราจักชื่ออาหารเหล่านั้นเรารับทานลงไปแล้วผลก็คือว่าทําให้เราอิ่มหายหิวแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ร่างกายเราจะยอมรับไหมว่าอาหารนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แต่ใช่ได้ อันนี้ข้อนี้ฉันใดท ร, รมาซึ่งเกิดกับจิตของผู้ปฏิบัติในระดับเหนือสมมติบัญญัตินั้นเราจะไม่มีชื่อเสียงที่จะเรียกชื่อธรรมะนั้นๆว่าอะไรมันมีแต่เพียงปรากฏการณ์ที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นอย่างที่ยกหลักมาอ้างในธรรมจักรกับพวัฒนสุนันมีแต่ยังกินจิตสมุทิยธรรมังตบันตังนิโรธธรรมมันติด มีแค่นั้นทีนี้ถ้าหากว่าจิตของผู้ปฏิบัติเนี่ยไปรู้ทำแล้วยังมีชื่อเรียกได้อยู่เนี่ยอันนั้นมันเน้นหนักไปในทางสัญญาความทรงจํามากกว่าความรู้จริงที่นีนสัญญามันละเอียดเราก็ไปเชื่อความคิดของตัวเองว่าอันนี้คือความรู้จริงแต่แท้ที่จริงด้านความรู้จริงไม่มีชื่อ ถ้าหากว่าใครสามารถถอดจิตของตัวเองเนี่ยออกไปลอยเด่นอยู่บนอากาศแล้วจิตมองมาดูร่างกายของตัวเองเนี่ยเห็นร่างกายมันเน่าเปื่อยผุกพังลงไปจนกระทั่งมองเห็นโครง ก, กระดูกจนโครงกระดูกมันแหลกละเอียดลงไปไม่มีอะไรเหลือโดยที่สุดแม่โลกที่มองเห็นอยู่เป็นที่อาศัยนี่ก็หายไปหมดยังเหลือแต่จิดตดวงเดียวทีนี้ถ้าใครทาจิตให มีภูมิรู้ได้ถึงขนาดนี้แม้เพียงครั้งหนึ่งครั้งเดียวก็ตับจะหายสงสัยในคำว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมสัพพโรทธรรมจิต ท, ท, ทันที